ข้อความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รงประโวดยานในวันนี้คงเป็นการกล่าวถึงสัมมาวยามะในข้อที่สองจะเรียกว่าปหานประธานคือเพียรพยายามละระมัดระวังไม่ไปย่าเพียนพยา ย, ยามละบาปอกุศลที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจตลอดถึงแสดงมาทางกายทางวาจา เระทำนองว่าหยุดบาปมันเท่าบาปจนถึงกระละบาปหมายความว่าในในขณะนั้นมีบาปที่ต้องหยุดมีบาปที่จะต้องบรรเทามีบาปที่จะต้องลดละมีบาปที่จะต้องดับเป็นการพูดถึงความคิดการกระทําการพูดในขณะนั้นนั้น ก็ส่วนใหญ่มันเกิดมาจากใจถ้าเราจะละตั้งแต่ความคิดคือบันเทาเสียตั้งแต่ความคิดพวกเหล่านี้มันก็ออกมาทางกายทางวา จ, จาแต่ถ้าลดละตรงนั้นไม่ได้แล้ก็ไปบันเทาในขณะที่กำลังคิดอยู่หรือกำลังจะทำหรือกำลังจะพูด คือท่านแสดงอาการในชชวงพฤติกรรมของภิกษุสมมติว่าภิกษุจะลักทรัพย์เนี่ยนะครับมันเกิดมีความโลภขึ้นภายในจิตเห็นทรัพย์ของบุคคลอื่นกลายเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็มีเทยจิตคิดจะลักวันนี้ถ้าหยุดที่ความคิดจะลักแล้วอาจจะปรับเปลี่ยนตรงนี้แหละ จิตคิดจะช่วยเหลือเจ้าของทรัพย์ซึ่งวางเอาไว้มันก็อยู่ในการควบคุมความคิดเนี่ยว่าเราควบคุมได้ขนาดไหนตรงนี้ถ้าคุมตรงคิดจะรักไม่ได้ก็คุมไว้ที่ความคิดตอนนี้นเราก็บรรเทาไว้ที่ความคิดย้ายออกมาข้างนอกแต่ว่าบางคราวเนี่ยก็คุมไม่อยู่มาจจะถึงเอื้อมมือไปจะหยิบของเหล่านั้น ทำยังไงจะดึงมือกลับได้เอาละสมมติว่าดึงมือกลับได้ดึงมือกลับยังไม่ได้ก็ไปจับของเขาที่พระวินัยีนจับจะปราบอาบัติพระตั้งแต่เริ่มจับของนั้นหมายความมาเธอป้องกันไม่ให้เกิดอาบัติได้ตั้งหลายช่วงของขณะความคิดเนี่ยบังคับไม่บังคับไม่ให้มอง ไปดีทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นหรือมองแล้วก็สักแต่ว่าทรัพย์สมบัติถ้าทำยังไม่ได้ก็ยอมรับว่าเป็นทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปล่วงละเมิดทีนี้ถ้าทำไม่ได้ในช่วงนั้นก็อย่าถึงก็มีทยายจิตคิดแต่ละ ถ้ายังมีใยจิตคิดแต่ลักก็อย่าถึงเอื้อมมือที่จะหยิบถ้าเอื้อมมือที่จะหยิบก็อย่าจับถ้าชาวบ้านเนี่ยเขายังไม่ถือว่าขาดศีลขนาดจับเนี่ยยังไม่ขาดศีลแต่ว่าศีลก็พ ล, อ ย, พลอยไปนะแต่พระนี่ถือว่าถือว่าต้องอับบัตแล้วอับบัตมันยังยังเล็กๆอยู่เขาเรียกว่าเป็นอนบาบัตตุกขก็หยุดตรงนั้นไว้เกิดจับไปเฉย จับดูต้องการคิดจะพลิกอยากจะดูไปเฉยๆก็ได้ฮะลดลดความอยากลงไปแทนที่จะเป็นอยากขโมยเนี่ยก็ขออยากดูสักครั้งมันก็ยังไม่เรีนขโมยนะฮะถ้าเรายังคิดอยากจะดูทีนี้ถ้าหากว่าคุมไม่ได้ก็ยังไงอย่าทําให้มันขยับคุมไว้แค่เพียงจับอย่าทําให้มันขยับ แต่ว่าถ้าหากว่าคุมแม่ขยับไม่ได้ความโรคมันมาแรงนี่เกินมันมายัางเป็นธรรมโม ก, กันไม่อยู่เลยก็มาควบคุมความคิดเอาเพียงแค่อย่าทํามันไหวอา้าวถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่ทําไม่ไหวก็ย้ายเคลื่อนจากที่วางอทีนี้ชาวบ้านเนี่ยถ้าหากว่าเคลื่อนจากที่วางถ้ายัางไม่มีเจตนาที่จะรักเนี่ยยังไม่เป็นอะไรก่อน แต่พระนี่ขาดเลยนะฮะขาดขาดแต่ความเป็นพระไปแล้วก็เรียก ว, ว่าต้องบัตรประสาทิปไปแล้วคือจะต้องรูปธรรมทาให้ไหวแจะทําให้เคลื่อนดักฐานในสามจังหวะเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราลดกิเลสลงไปได้แต่ว่าแทนที่กิเลสมันจะลดมันเพิ่มเพิ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นบาปกรรมมันก็มีปริมาณแรงขึ้นเพราะในการทําบาปทั้งหลายเนี่ย คือถ้าเราลองสังเกต ด, ดูให้ดีนี่เราสามารถบรรเทาได้ตั้งหลายจังหวะเพียงแต่ว่าสติมันไม่ค่อยเกิดปัญญามันก็ไม่มีกำลังมากพอตัวพระเกิดแรงโทสะเกิดแรงริษยาเกิดแรงแข็งดีเกิดแรงโมโหฉุนเฉียวเกิดแรงซึ่งเราลองสังเกตว่าบางทีในจังหวะปัญญายาวกว่านั้นที่เราจะคิดที่จะบรรเทา ปัญหาต่างๆลงไปเพื่อแม่เกิดความบุญแรงจยเกิดสะสมบาปขึ้นเพื่อตัวเองอย่างในกรณีวันกกอะเนี่ยเขามาคุยเรื่องพระจุลันจักคณะสงฆ์ก็มียกทีมามาคุยก็บอกว่าคือสิ่งที่ต้องมองเนี่ยว่าเราเนะี่ยมาอาศัยศาสนาเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในศาสนา เราไม่เคยเจ้าของทุกอย่างในศาสนานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทรัพย์สินเงินทองนั้นมันเป็นพูกเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอาสีวิโสทีนี้ถ้าเรามองดูถึงกฎหมายของบ้านเมืองพราชบัญญัติจวาต่างๆที่ออกมาสองสามฉบับนี่นะมาะใช้คำโดยสรุปว่าพระธทรมวินัยเนี่ยทำพยายามทำคนให้เป็นพระ แต่ว่ากฎหมายบ้านเมืองนี่กําลังทําพลายเป็นคนเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมวินัยมันคิดจากสัพพัญญุตญาณที่คิดจากพระที่สมบูรณ์คือพระพุทธเจา้าแต่กฎหมายคิดจากผู้แทนขึ้นเป็นปุถุชนแล้วก็มีกิเลสหนาะบ้างอย่างบ้างเบ า, บ, าบ้างนะฮะไอ้เบามันคงจะไม่มีหรอกบอกว่าคงจะไม่มาเป็นผู้แทนนะฮะ ความคิดเรศประเภทหนาประเภทกลางความคิดมันไม่ละเมยดละม ไ, มไม่เป็นนิรมันมีอัตรากวบตนมโดยความคิดแบบุู่้ชนก็คือตัวปูของปูอย่างนี้ถือหลงงพ่อประธานว่าพอไปเกี่ยวข้องกับอะไรข้ามันก็กลายเป็นตัวเราของเราเราเคยพบพระรัชบัญญัติฉบับหนึ่งเป็น ร, รัชบญญัติที่เกี่ยวกับพระ แล้วก็กําหนดตําแหน่งไว้นะฮะตำแหน่งนี้เป็นเป็นตำแหน่งที่แปลามาอ่านนะนักจินยิ้มเอ๊มันอะไรตําแหน่งสูงสุดทางวิชาการก็กําหนดไว้ที่ด็อกเตอร์หรือราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไปไอวิชาการด็อกเตอร์เนี่ยเราไม่เคยว่าหรือวิชาการมันเกี่ยวอะไรกับชั้นธรรมเพราะชั้นธรรมนี่ยนักคำตรีนักคำโทนะักคำเอกนี่เป็นยึดตามได้นะฮะ จะเป็นหัวหน้าทางวิชาการไม่ได้ครับทีนี้ในฝ่ายบริหารเนี่ยก็กำหนดอีกอเป็นชั้นธรรมกับดรบอกอูงูพวกนี้เป็นอภิสิทธิ์ไปผูกขาดไว้ทั้งหมดแต่เราต้องมองว่าบริหารนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสมณศักดิ์แต่มันเกี่ยวกับวิทยาฐานะแต่ไม่จําเป็นเดี๋ยวต้องถึงดรเตอร์ต้องก็เป็นงานคนละสาขากัน นักบริหารรัฐศาสตร์ทางการปกครองรัฐศาสตร์ทางการทูตรัฐศาสตร์ทางไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็อาจจะเรียนมาทางระดับยาธีเท่นั้นเองแต่เมื่ออยู่ในสายเขาที่เขาชนานาญเนี่ยเขาก็ทําได้ดีกว่าด็เตอร์ซึ่งเรียนมาทางอีกเรื่องหนึ่งแจะมักเกิดสงสัย ว, ว่าทาไมทําไมต้องกําหนดอย่างนี้ทั้งทุกจุดเลยนะฮะทั้งเล่มทั้งฉบับเลย เม่อไปสืบดูว่าใครเป็นคนร่างเรานึกว่าพวกนี้ต้องเป็นชั้นธรรมกับปตก้าเป็นจริงเลยนะเป็นราชาคณะชั้นธรรมกับปตก้าร่วมกันร่างแล้วก็นึกหาที่ลงให้แกตัวเองหรือ เ, เหมือนกับรัฐมนูลฉบับนี้นะครับคือเราเห็นมาเหมือนออกสเต็ก บริษัทตัวสินค้าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ทำงานเนี่ยมีคนเป็นมากที่คิดตรงกันคือมาอ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรล้วผมไมออกสเปก ค, คนไว้เลยนะคือคนที่จะมีฐานะมีตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เนี่ยคือกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันเคลื่อนไหวกับพวกเขาพวกเอนจีโอทั้งหลายเนี่ยแล้วมาจากเดือนสิบสี่ตุลาหกตุลา นั่นคือแสดงให้เห็นว่าความคิดมันไม่ได้กระจายแล้วก็ไม่รู้ว่าความคิดเหล่านั้นไม่ถูกต้องเพราะรัมนูรเป็นเรื่องของชาติบานเมืองไม่ใช่เรื่องของกลุ่มคนของบุคคลแต่ประการใดแต่ว่าในขณะตรงนั้นแหละถ้าว่าคนมาเกิดเฉลียวใจเกิดฉุกคิดขึ้นจะเดี๋ยวคิดขึ้นมาหมดขึ้นมาบ้างเนี่ยนะ มันก็ก็ตุ้นเตือนกันได้ต่านเล่าไว้ในอัตตกถาชาดกว่ามีกองคารวานเกวียนขนาดใหญ่มีคนเป็นร้อยนะฮะแล้วก็เดินทางไปผ่านทะเลทรายกลางวันเดินทางไม่ไหวแล้วก็ต้องพักหลบร้อนกันอยู่ ไปนอนอยู่ตามใต้เวียนตามเงาเกวียนใดๆเนี่ยนะทีนี้พอตื่นขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าทะเลทรายเนยันโลยยากันนะฮะเวียนมันหมุนผิดย้อนกลับเข้าไปสู่ที่เดิม แต่ว่าตอนที่จะพักเนี่ยนะตอนตอนก่อนที่จะพักเนี่ยเขาเห็นว่ามันก็กลายทางถ้าเอาน้ำไปด้วยเนี่ยมันก็หนักพอนก็แบ่งน้ำไว้เท่าที่พอจะดื่มจะอาบจะกินกันแล้วก็ยอกยอดไปอาบไปดื่มไปกินในถิ่นมนุษย์เจ้าตกดึกเนี่ยเย็นเมื่อเกิดหมุนกลับไม่มีใครฉเฉียวใจตากลนตากลับไหล พอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ากลับมาเกือบถึงต้นทางในสุดคนเหล่านี้ก็เดือดร้อนอยู่ในทะเลทรายไม่มีน้ำจะดื่มเพราะหลักสองนี้มันทำให้เราคิดว่าในสังคมเป็นนันมากมันชวนกันหลับไหลลงไหลเลื่อนไหลไปไม่ได้มีใครสุกคิดฉเฉียวใจคิดที่จะเหนียวนึกจึกนึกน้อมนำนะ จิตใจก็โดดเองให้ดําเนินไปในทางที่ชอบที่ควรได้ปัญหาเรื่องต้องรัละทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วว่าคือกิเลสที่กําลังเกิดขึ้นภายในใจใจกําลังคิดหรือปากําลังจะพูดหรือกําลังกระทําแล้วกําลังทําอยู่แล้วก็ได้นะแต่ว่าหยุดใช่อย่ามันเกิดรุนแรงมากเกินไปเช่นสมบรูรณมากเลย จนถึงก็ต่อยก็หนึ่งทีก็ต่อยทีเดียวพอแล้วนะถ้าก็จะต่อยโต้ตอบมาก็ป่อก็ต่อยจะเลิกแล้วต่อกันมันต่างคนต่างผิดแล้วนะก็ยุ่งเหยินก็เลิกแล้วต่อกันเป็นการหยุดไว้ช่วงในช่วงหนึ่งเงื้อมือจะตีแล้วไม่ตีสมมติว่าตีลงไปแล้วก็ให้เบาที่สุดทําไม่ตีได้แล้วก็ดี แสดงว่าไอ้กิเลสมันก็มันก็ไหลแต่มันลดความเข้มข้นลดความรุนแรงลงไปถ้าว่าเราหยุดการกระทาที่เป็นการวงการของกิเลสลงไปได้ในหนังสือนองโกวาดนะครับต้องสอนธรรมะที่ควรลดละเอาไว้ได้กับพวกตุ่มกิเลสคือถ้าเราเรียนจากหยาบมหาละเอียด แต่มีชุดหนึ่งมันไม่มีอยู่ในนังนือเราก็ว่าแต่มาว่ามันเป็นปนัญหาใหญ่ที่ค่อนข้างจะมีมากแม้จะเป็นด้านความเห็นก็ตามและมีมากแล้วค่อนข้างเป็นอันตรายเพราะว่าบางทีคนพจา ก, กันไม่รู้เรื่องฮนะทะเลาะเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้ว่นั่นก็คือพวกลัทธิปฏิเสธกรรม จะเรียกว่าอกิริยาทิฏฐิคือไปเสกการกระทําทุกอย่างทั้งๆที่ตนกระทําอยู่พูดดูคิดอยู่เนี่ยอันนั้นเป็นกรรมจะจระนี่เห็นกระจระเลยนะฮะวันนั้นก็คือกรรมเราเป็นกระบวนการของกรรมจินยืนเดินนั่งนอนทําบุดคิดทําหมดมันเป็นกรรมทั้งหมดก็เรียกว่า กรรมที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกางๆบ้า ง, แ, ง, า ง, างแต่คนไม่เข้าใจไม่พยายามเข้าใจในเรื่องผลของกรรมแลว้วบางทีก็ทำอะไรชั่วๆไว้เยอ ะ, ละเลยเกิดกลัวก็พูดในตำานองต่อต้านกรรมหายถึงว่ากรรมก็ไม่เป็นการกระทำไม่มีบาปไม่มีบุญอะไรนะเจตนาเป็นเอกระทากรรมไม่มี เราถ้าเชื่อถืออย่างนั้นเนี่ยมันง่ายอย่างความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยคือเมื่อ น, นานมาแล้วก่อนที่เศรษฐกิจของสบู่จะแตกกันนะบเราก็นึกว่าเออความคิดนี้คงคงพูดเล่นคงไม่จะพูดจริงไอ้ชีวิตของพระนั้นไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องอะไรกับชาวบ้านเท่าไหร่พูดคุยตั้งวงคุยในมันน่าจะไม่มีนะคร ส่วนใหญ่มันก็เป็นกิจลักษณะจบแล้วก็จบกันคนก็พูดว่าคนเราเรียนดีคนยากจนที่เรียนดีนั้นต้องเรียนให้สูงความรู้มากเงินเดือนมากแล้วก็ต้องรวยเร็วเราเนี่ยก็เออมันมองว้ที่ตัวเองล้วนๆเนี่ยเพียงแต่ว่าหนีก ภัยโรคซึ่งเกิดขึ้นกับตัวเองพยายามหนีสุดๆหนีทุกหนีภัยหนีโรคให้สุด ๆ, ดๆแล้วเสร็จแล้วก็ทำงานได้เงินเดือนมากๆแล้วก็รวยเร็วไปเงินเดือนรวยได้เงินเดือนเนี่ยรวยเร็วเนีเ่ยมันรวยยังไงมันก็ไม่รว ย, ยงเงินเดือน ในที่สุดก็มันมีความคิดขึ้นมาว่าคนเราถ้าจะรวยนี่ต้องโกงถ้าไม่โกงไม่รวยนั้นเราเหนว่าเป็นกระแสความคิดที่ชี้นาแล้วก็เลื่อนไหลไปในที่สุดก็เกิดโกงกันต้นกันแต่งชุดสูตรนี่นะแต่งชุดสูตรก็ต้นนั่งรถเบ้นต้นกันเนี่ยก็มีควรร่ารวยกันเยอะที่ไปที่มาไม่ชัดเจน จะออกว่าตราบัญญัติการฟอกเงินก็ออกไม่ได้จะออกว่าบัญญัติคอรัปชั่นก็ออกไม่ได้กลุ่มผลประโยชน์บางคยขัดขวางอยู่ะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่พยายามลดละปลวกความคิดที่มันเริ่มคิดก็ผิดแล้วเป็นผู้ทํานองคล้ายๆกับบ่าเราอยู่ในโลกเพียงลําพังคนเดียวแล้วการเอาตัวรอดเป็นคนเดียวนั้นถือว่าเป็นทาง ถูกต้องนะฮะซึ่งมันคิดตั้งแต่คิดก็พลาดแล้วเราลองสังเกตว่าความคิดเหล่านี้มันคิดเพื่อตัวเองเรายากจนเรียนดีความรู้สูงเงินเดือนมากแล้วก็รวยเร็วถ้าจะรวยต้องโกงถ้าไม่โกงจะไม่รวยกลายเป็นไม่คนไม่นึกถึงบาป บ, บุญคุณโทษอะไรเลยท่านกระแสความคิดเนี่ยไม่ได้คานึงถึงบาป บ, บุญคุณโทษอะไรเลย แล้วลเขก็ไหลใบของเพาไปได้เหตุการณ์ที่ถือว่าผลทั้งหลายไม่ไเกิดมันจะเหตุไปเศษเหตุบางทีไปเศษถึงพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่มีคุณอย่างเนี้มามันแย่บ้าง น, นนะครับพ่อแม่ไม่มีคุณบางทีก็พูดว่าเราไม่ต้องการเกิดเนี่ยท่านก็ให้เราเกิดมาอะไรต่อได แสดงว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุแล้วเกิดอาการวิเศษเทพขึ้นเรียกว่าเหตุตุกทิชิที่ถือว่ามันแรงเป็นความเห็นที่แรงแล้วอันตรายมากอันตรายจมกลายเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวน่าสะดุ้งกลัวเพราะไรเพราะเธอไปคิดว่าการให้ทานเนี่ยไม่มีผล การบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโรคนี้ไม่มีโรกหน้าไม่มีการกระทาทัานดีทั้งชั่วของคนนั้นไม่มีผลแล้ว่าคนตายแล้วไปเกิดอีกไม่มีจนถึงไปปฏิเสธความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเม่ท่านผู้รู้แจ้งโรกนี้แล้วสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามไม่มี ไอ้เ น, นี่คือความคิดเดือต้องรถละมันเป็นอันตรายมันเป็นสนิมเป็นบนทินของจิตแล้วถ้าหากว่าใครคือมีความเห็นอย่างนี้สักข้อเดียวนะฮะก็ที่เกียดรุ่งแล้วะะแล้วอย่าลืมว่าความโน้มเอียงทางใจในปัจจุบันเนี่ยคนวัวบาปวัวกรรมน้อยลง ก็ยังนึกว่าสักโอกาสหนึ่งนะจังหวัดหนึ่งก็ในช่วงของอเดมักเนี่ยมันอาจจะต้องจบสมาวายามะ ก, ก่อนจะขึ้นสมาสติแนะนึกจะเอาปัญหาที่เยาวชนก็ถามมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเรามาสลับให้ดูนะฮะมาสลับไปดูนะอาาด่เด็กเดีอนนี้เขามีความคิดอย่างไร ถ้าเราจะคิดเป็นโพลมันก็คิดได้นะครับเพราะเราอ่านแล้วเขาใช้วิธีการคำวนวณเอาเนะช่นเราสมรวจสมรวจจากคนจำนวนหนึ่งเนี่ยฉันยกตัวอย่างว่าเอาเอาคนทั 3, น้งสามพันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งพันนี่ความเห็นตรงกันแสดงว่าสามจุดเปอร์เซ็นต์ ก็ เ, เป็นส่งกันแล้วแกก็เอาจำนวนเนี้ยไปบวกลบคูณหารเข้าบวกลายมาเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อเราดูแล้วนี่ยมันไม่น่าจะทรงนะเพราะองค์ประกอบของความเป็นสังคมเป็นคนเป็นชีวิตเป็นลูกหลานขัสกุลเนี่ยมันมีจุดย่อยแตกต่างกันอีกเยอะ แต่ว่าเป็นตัวเลขที่ต้องฟังเอาไว้เพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็เกิดสุดเรื่องดดมาจากความคิดดังกล่าวคือเห็นว่าไม่การกระทําดีทําชั่วไม่เป็นการกระทำผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเพศแล้วก็บุญบาปไม่มีเพราะแม่ไม่มีคุณสวรรค์นรกไม่มีอะไรตัวเนี้ยมันมีความโน้มเอียงสูงร้อนคนจึงฝักใฝ่ายในเรื่องเพศจนเป็นตัวเลขที่น่ากลัวแล้วก็ ที่น่าน้อยใจก็คือมาตกอยู่ในสังคมไทยเพราะในฐานะเป็นคนสมาชิกคนหนึ่งในพศาสนาเราก็เป็นบ่วงนะเพราะว่าถ้าพฤติกรรมในด้านศีลธรรมของเราในตกตร่ราตงไปเราไม่แสดงให้เห็นนึว่าเรากลัวบาปกรรกรรมอะไรส่างที่ศาสนาสอนเรื่องบาปกรรมเรื่องบัพบุญขุนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีช่วเสริมเจริญสุขทุกข์เอาไว้เนี่ย ในสุสัต์หนานี่จะอยู่ลำบากเพราะว่าคนในประเทศเราเองไม่ยอมรับับถือคนที่ประเทศอื่นนี่มองพระเราเหมือนกับหมอขังโคกนะนอ้ใบอานสาจะรักษาโรคผิวหนังให้เพื่อนแต่ว่าผิวห น, น, นังตัวเองอย่่ยตะปุมับปั้มอยู่วะมันกลายเป็นปัญหาที่ยอกอกเป็นหนาใหญ่ แล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้เพราะการละเมิดสินห้าโดยเฉพาะเวลานี้ที่เป็นปนัญหาระดับโลกอะนะคือความสับส่นทางเพศแล้วตัวเลขเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆเรอยังนึกถึงสมัยเป็นเด็กๆคุณยายก็ให้อ่านหนังสือให้ฟังเราเด็กๆเราก็อ่านหนังสือได้ ก็ได้เกิดเป็นสตรีนมีสากรรู้รักษากายเป็นผลสมวนงามตามระบอบไปชอบคนจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทาเป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมากเหมือนมันเย็นมีค่ามันแตกร้าวรันรอยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากการนางอะไรแต่ได้ว่าไปใครร่มากอบอุ่นเลือกเย็นยิ่งใหญ่เป็นภยาของเหมราชเลยมันสวยงามมาก ภาพลักษณ์ของคุณสัจเจยไทยในสวยงามยิ่งใหญ่หนาภาพไม่พราหม์ัวไม่ถูกมองด้วยความสประมาาดูถูกดุหมินแล้วมองญาติพี่น้องของเราด้วยความชื่นชมมองคนใจด้วยความชื่นชมมองเด็กรุ่นน้องด้วยความชื่นชมมองคนรุ่นพี่ด้วยความชื่นชมมองคนรุ่นเพื่อนด้วยความชื่นชมในความเป็นผู้ดี ค ว, ค, ความเป็นคุณรีความเป็นคุณบุตรของท่านเหล่านั้นแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเราไม่มั่นใจใน ม, มั่นใจในภาพลักษณ์ที่แสดงออกมากับความรู้สึกไึ่คิดเจตจำนงสานึกมโนธรรมของคนเหล่านี้ว่ามีเหมาะสมแก่สถานะที่เขาเป็นหรือไม่ นั้นเพราะนนี้มันมันถ้าไม่มีก็คือมันสุดนึ่องจะความเห็นสามการดังกล่าวเนี่ยผู้เหล่านี้จึงจําเป็นจะต้องปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทาความเพียรอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดละลงไปให้ได้ตามกําลังความสามารถของแต่ละบุคคลท่องฟังทงหลายแต่หลวงปู่ทิยาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุด น, นี้ขอความจเจริญ ง, งองงามไปบูรในธรรม จงมีได้ท่านพู้ฟังทั้งหลายด้ทั่วกันสวัสดี